พระธรรมเทศนาแต่ที่76็ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่26กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าหลวงพ่อปัญญาแห่งวัดป่าวัดตา วันนี้เป็นวันที่26วันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2558วันพรุ่งนี้เป็นวันพระวันเดือนสิบเพนเป็นวันทางอีสานเหนือของพวกเราก็เป็นวันทาบุญวันฉลากกระพัดเป็นทำบุ ญ, บญ ถ้า ภ, าภาษาอีสานก็ว่าทำบุญข้าวสาบข้าวสาบข้าวฉลากแต่แปลออกมาก็คือเป็นฉลากกรพัดเป็นการทำบุญไม่จเพาะเจาะจงกับพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็เป็นการทำบุญรวมรวมญาติแล้วก็ให้พระพระสงฆ์ จับฉลากเหมือนกับฉลากทหารอย่างนั้นอ่เราก็ทำเป็นกลุ่มหรือกลุ่มญาติาแล้วก็พระสงฆ์องค์ไหนถูกจับได้กลุ่มไหนก็เอาไปถวายกลุ่มนั้นในคนโบ ร, ราณเขาทำาถวายไม่ถวายเฉพาะเจาะจงแต่ในวัดของเราคงไม่ได้ทำเพราะอาหารในวัดของเราเนี่ยล้นหลามแต่จะไปทาอย่างนั้นก็เป็น ไม่รู้จะจัดยังไงอีกเหมือนกันคงจะตักบาตรตามปกติจากนั้นก็ได้มาไหว้พระแล้วก็มาทานศีลพอวันเป็นวันพระวันพุ่งนี่เป็นวันพระแล้วก็จะมาทานศีลแล้จากนั้นก็คงจะมีการกล่าวคำถวายทานอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์บรรพชนของพวกเรา ที่ท่านได้ทำคุณอุปการเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรต่อผู้มีอุปการะอุปการะคุณเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่ต้องได้คิดทดแทนพระคุณในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราจะเอาอาหารเอาอะไรไปมอบให้ท่านท่านก็ทานไม่ได้กินไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านมรณะนะ ลงไปแล้วเราก็มีแต่อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปถึงในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกในเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านในข้อสุดท้ายนี่ย เมื่อพ่อแม่ของเราล่วงลับดับขันปู่ย่าตายายของพวกเราล่วงลับดับขันไปแต่ท่านทิ้งมรดกให้กับพวกเราบางคนก็ได้มรดกตั้งเยอะแยะที่ไร่ที่นาที่รัว้วที่สวนที่ทำมาหาเรียงชีพมีบ้านมีที่ดิน ท, ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายถอดทิ้งไว้ให้กับพวกเราแต่ท่านไม่ได้เอาไปด้วยแต่มาถึงพวกเรา พวกเราได้รับมรดกจากท่านแล้วเนี่ยจะทํายังไงพอท่านก็จากไปแล้วก็ไม่มีทางอื่น <c oughs> พวกเราก็มีแต่ทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ไม่ใช่พอได้มาเลยก็เหมือนกับลิงได้กล้วยแล้วก็ไม่คิดถึงใครจะเลยมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะ เ, <c oughs> เมื่อเราได้มาแล้วก็เราควรอุทิศสวนกุศลเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่าน อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่และก็วันพรุ่งนี้แหละพวกเราอยู่ใกล้วัดใดไม่ได้มาวัดหลวงพ่อถึงมาวัดหลวงพ่อวันนี้ก็เถอะนะเมื่อเราทําไปแล้วเรากดอุทิสสวนกุศลในวันนี้ก็ได้เพราะเราได้มาทําในวันนี้เป็นลูกเป็นลูก ค, ค้าชั้นดีอีกต่างหากเพราะเหตุใดถ้าว่าเราผ่านวัน เดือนสิบเพนไปแล้วเราไปทําที่หลังอันนั้นแปลลูกค้าไม่ดีเท่าไหร่ใช้นี่ใช้นี่ที่หลังฮะแต่วันนี้พวกเรามาใช้หนี้ก่อนใช้หนี้ก่อนก่อนวันที่พวกเราทําบุญทั่วๆไปเพราะนั้นวันนี้พวกลูกหลานมาสู่วัดวาศาสนาอุทิศส่วนกุศลนะเป็นการทําบุญวันบุญฉลากกระพัดตามประเพณี ในอีสานของเราในพรรษาเนี่ยก็มีอยู่2วันนะลูกหลานนะวันข้าประดับดินกระเบือนเดือน9ดับที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นวันเดือน10บแผ่นเนี่ยก็เป็นวันทําบุญฉลาศในพรรษามี2วันและจากนั้นก็เป็นวันออกพรรษาแหะท่นี่พิธีการเป็นเรื่องของพวกเราจะทําบุญอีกรอบหนึ่งจากนี้ไปก็เดือน1นึ่งหมดลนวันเดือน12วันเดือน11 เพอันนี้วันเดือน1ิเพนแล้วก็วันเดือน 10, 11บสิเอ็นวันออกพรรษาแต่พี่น้องชาวอยู่ใกล้อุดรก็วันพรุ่งนะี้เป็นวันเกิดของหลวงปู่ลีนะหลวงปู่ลีท่านเกิดเกิดวันวันฉลากระพัดเลยล่ะเพราะนั้นหลวงพ่อเองวันพรุ่งนี้พี่น้องประชาชนจะเข้ามาวัด ของเราก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันท่านเราจะหนีจากวัดไ ป, ปวันเกิดของท่านก็ไปไม่ได้มีแต่ส่งจิตส่งใจส่งกราบความคารวะไปกราบหลวงปู่เท่านั้นเองแต่เราจะไปก็คงไปลําบากเพราะเหตุไรเพราะศรัทธาญาติโยมที่มาวัดของเราก็ไม่ใช่น้อยเพราะวันเป็นวันทําบุญประจํำปีของ พวกเราอย่างพวกเราท่านท่านหลายเห็ น, นวัณฑูนี้มาดูกันแล้วกันรู้สึกว่าพี่น้องล้นหลามในวัดของเราแต่ก็เป็นวันเกิดของหลวงปู่เป็นวันสําคัญยิ่งของหลวงปู่ก็คงจะครบรอบ94ปีเจลมัง่งหลวงปู่นะแต่ว่าก่อนหน้านี้วัดของเราก็ได้ไปร่วมทําบุญถวายพระเจดีย์ของหลวงปู่อยู่แต่เข้า ต่อไปก็คงจะไปร่วมคนนั้นใครผู้ใดไปทําบุญหลวงปู่ยังไม่เคยสร้างพระเจดีย์ก็หลวงปู่ก็ไปร่วมสมทบทับกับท่านก็ได้ไม่มากนิดนิดน่อยนอ ย, นอ ย, นอยหรือมากก็ตามวัดตามศรัทธาของเราตามกําลังของเราตามกําลังของเราเรามีมากเราก็ถวายท่านเพื่อสร้างพระเจดีย์สร้างแล้วก็ไม่ใช่ของหลวงปู่หรอกสร้างแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดิน เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เ, เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตามหาบัวที่เป็นอาจารย์ญญของหลวงปู่เหมือนกันเพราะนั้นพวกเราได้ไปวัดของท่านก็รวมกันทําบุญหลวงปู่ลีเป็นพี่ชายใหญ่เป็นพี่ชายรองที่อยู่วันตาดด้วยกันสมัยเมื่อ 2,512 แต่หลวงปู่ลีไม่ค่อยอยู่ประจาหรอกเข้าๆออกๆเพราะว่าท่านมีภาระ โยมแม่ของท่านอแกท่านก็ออกไปอยู่ยดูรมดูโยมแม่ของท่านด้วยแล้วก็เข้ามาแล้วก็ออกไปไม่ได้อยู่เป็นที่ไม่เหมือนหลวงปู่บุญมีหลวงปู่บุญมีนี่อยู่ด้วยการตลอดจนสองพันห้าอยี่สิบกว่าหลวงปู่บุญมีจะได้ออกมาจําพรรษาข้างนอกเ <c oughs> นี่แหละหลวงปู่ดีถือว่ากับหลวงปู่บุญมีเนี่ยถือจะเหมือนว่าเป็นพี่ชาย ใหญ่ของหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตาหลวงตาท่านก็ให้ความเมตตาความไว้วางใจแต่ก่อนก็หลวงปู่เพียนลงไปกรุงเทพกับองค์หลวงตาเป็นประจําพราะหลวงปู่เพียนป่วยแล้วก็ท่านก็เอาหลวงปู่บุญมีหลวงปู่ดีไปแต่ท่านก็จะเอาหลวงปู่บุญมีลงไปเหมือนกันนะหลวงปู่บุญมีท่านก็ใหญ่ท่านเรียก ท่านเรียกหลวงปู่บุญมีนะเรียกท่านใหญ่นะใหญ่ท่านสมุนะคือหลวงปู่เพียรนะเป็นสมุขนะเน อ, อสมุขนะป่วยไปไม่ได้แล้วลงกรุงเทพเราจะลงกรุงเทพนะจะไปด้วยไหมสะดวกไหมหลวงปู่บุญมีท่านก็เข้าไปกราบกราบถ้าไม่ไปสะดวกกว่าครับผมหลวงปู่บุญมีตอบหลว ง, งตานะลงไปกรุงเทพ ถ้าไม่ไปสะดวกกว่าครับผมเออเอาทางนั้นไม่ต้องไปนะเดี๋ยวจะไปบอกธรรมรีนะท่านเรียกหลวงปูร่รีแล้วเรียกธรรมรีนะท่านเรียกหลวงพ่อนี่ก็ว่าธรรมอินนะเออหลวงตาเรียกนะลูกศิษย์ของท่านไปเอาธรรมรีไปท่านก็เลยเอาหลวงปู่รีหลวงปู่รีก็สะดวกเพราะท่านยังคล่องคล่องแค่วต่ออยู่แต่อายุของท่านแก่กว่าหลวงปู่บญมี3ปีนะพี่น้องสัทธายาจวงหลวงปู่รีนะแต่ท่านบวชไปเมื่อมีอายุแล้วค่อยบวช แต่หลวงปู่บุญมีเนี่ยบวชเมื่ออายุครบ20ก็บวชแต่พันศาเนี่ยหลวงปู่บุญมีแก่กว่าแก่กว่าหลวงปู่ลีพอหลวงปู่ลีบวชที่หลังแล้วก็แต่อายุอายุมากกว่าหลวงปู่บุญมีนี่แหละอยู่ด้วยกันที่วัดป่าบ้านตาดหลวงสมัยนะั้นหลวงพ่อกับพันศาก็เพียง24ปีเองนะเป็นพระน้อยพระหนุ่ม เอาพรรษาที่หอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อมาเอาพรรษาที่หนะจำพรรษาที่หอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดปี2512แต่มาคิดมาย้อนหลังอีกส่วนหนึ่งก็คือลําลึกถึงพระคุณลําลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อปัญญาปัญญาวุฒโธ ท, ที่เป็นพระฝรั่งเป็นชาวอังกฤษท่านจบมาทางทางวิศวกร ท่านเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยสมกับชื่อจริงๆรินะตางชื่อบอกท่านปัญญาเนี่ยหลวงตาเนี่ยที่ท่านมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดท่านแบบใช้แบบชีวิตแบบสมถะมาก ท, ทั้งที่ท่านเป็นฝรั่งนะแต่ที่พระคุณอย่างมากก็คือไม่มีใครคิดไม่มีใครคิดว่าจะทำยังไงถ้าหากว่าไม่มีท่านปัญญาวนะุฒโหนธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยคงจะไม่กว้างขวางคงจะไม่ใหญ่ถึงขนาดนี้ คงจะไม่เป็นประโยชน์อย่างทุกวันนี้ท่านปัญญาคิดตั้งแต่สมัยองหลวงตาตั้งแต่08ตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาที่ท่านมาอยู่ศูนย์ห้าศูนยท่านเริ่มเริ่มมีเทปแล้วนะมีเทปอัดเสียงลงตาแต่เวลาอาัดก็อัดแบบกลัวๆนะ่ะไม่ใช่อัดแบบกล้านะเพราะลงตาเห็นเทปขอท่านไอ้อัอดทําไมแต่ลงตาท่านก็ดุ แต่พันธุ์ปยาจะพยายามที่จะอัดธรรมเทศนาของหลวงต า, อาพอท่านได้เทศกันไหนดีๆเทศกันไหนหลงตาเทศเป็นตุเป็นตะแต่ท่านอัดได้ดีท่านกันนั้นท่านจะเก็บไว้เป็นแม่แบบเลยท่านไปให้ใครยืมเลยเก็บไว้อย่างดีจากนั้นเท่ากับอัด อ, อัดจากกันนั้นละให้คนยืมให้พระใครองค์ไหนจะยืมไปฟังก็ท่านก็ให้ไป ให้ยืมไปฝั่งเฉยๆนะถ้าจะส่งกลับพอมวนเทพสมัยนั้นหายากมันไม่ใช่ว่าออกได้ง่ายๆออกไปในเมืองนะทางถนนผลทางขุกขรกนะแต่ก็ท่านเขาพยายามนี่แหละท่านมองไกลมากๆเลยหลงพอยังชมชมน้ําจิตน้ําใจของท่านปัญญาชมในความมองไกลสติปัญญาของท่านปัญญาวิสัยทัศน์ของท่านปัญญาท่านมองไกล จากนั้นท่านก่อนเนี่ยเก็บไว้อย่างดีเก็บไว้ในที่กุฏิของท่านหลวงพ่อน่ยปันวันไหนหลวงพ่อเนขอขอไปอัดอัดไปอัดของจากท่านปัญญามาฟังแล้วก็มายืมมาฟังที่เราได้ศึกษาพระ อ, องค์หลวงตาท่านก็ไม่ใช่เทศทุกวี่ทุกวันบางทีก็7วันบางทีก็15บห้าวันนั่นแนหะในช่วงที่หลวงพ่ออยู่ แต่บางทีก็ 3-4 วันก็มีน้อยที่องหลงตาเทศแต่ท่านปัญญาก็พยายามอัดอัดเท็บเทบหลงตาอัดแล้วก็เก็บรักษาไว้อย่างดีถ้าว่าหมววไหนหถ้าหมววไหนหลงตาเทศดุมีเหตุผลในหลักนั้นท่านจะเขียนตัวเอสไว้ฮะเอสแปลว่าเบอร์หนึ่งาแปแต่ถ้าท่านจ้เขียนว่าเบอร์เอสกฟังเลย เสียงก็ชัดเนื้อหาสาระก็ชัดเจนใน S, อเอสแว่า S R สนแะปลว่าลองลองมาถ้าว่าธรรมดาเนี่ยก็ซีเพื่อ C, ใคว่ายัางไงก็ได้คล้ายๆว่าไม่เข้มข้นแต่ฟังได้ท่านจะมีความหมายของท่านนะแต่ละแต่ล ะ, ละม้วนนะท่านปัญญาจากนั้นก็ ถ้าวันไหนท่านพาระติดติดพาะหรือท่านไม่สบายท่านก็ให้หลวงปู่ลี่วยมากหลวงปู่ที่ท่านหลวงตามหาบัวท่านเข้าไปในครัวอย่างเทศเทพธรรมะธรรมะชุดเตรียมพร้อมเนี่ยโอ้อัด น, นี่อัดได้มากเพราะว่าคุณเผาพงาป่วยไปป่วยเป็นมะเร็งในวัดป่าบ้านตาดท่านปัญญากับหลวงตาไปอัดทุกวันหลวงตากับไปเทศเนี่ยฟังโดนลูกหลานนะ ธร ร, ธรรมธรรมะชุดเตรียมพร้อมท่านเทศให้คนคนหมดหมดหมดหวังในชีวิตแล้วท่านให้เตรียมพร้อมอย่างไงให้ฟังไปยฟังศึกษาดูธรรมะ ม, มีทั้งหนังสือมีทั้งเทปด้วยมีทั้งเสียงหลวงตาด้วยเนตท่านปัญญาเนี่ยเป็นผู้อัดแต่ว่าวันๆหลวงปู่ลีเข้าไปาหลวงปู่ลีเข้าไปเพราะท่านปัญญาไม่สบายหรือว่าไม่พร้อมนะ่ยก็ให้หลวงปู่ลี หลวงปู่ลีก็เข้าไปเข้าไปบางทีก็ไปกดผิดกดถูกอีกทีนี่เพราะท่านหลวงปู่ลีก็หลวงปู่ทาไมท่านก็ไม่เก่งทางวิทยาศาสตร์ทางเทพทางอะไรอยู่แล้วท่านปัญญาก็สอนให้กดอย่างนี้นะทาอย่างนี้นะั่นเนีท่ า, ทานมีความหมายอีกต่างหากนะแต่หลวงปู่ลีก็ไปกดบางทีไปกดให้กดทีนึงกด2 อ, อีกต่างหากไปกดล้างอีกต่างหากกลับมาท่านปัญญาก็โห้ยหลวงปู่กดไม่ถูกว่ะ เั่นแหละไปลกกี่ครั้งตกกี่หนเหมือนกันอแต่ลงตาท่านก็ไม่รู้จะว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ท่านไม่ได้สนใจแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องอัดแต่ลงปู่รีเวลาเข้าไปเนี่ยเวลาเห็นตุ๊กแกเนี่ยลงตาเอาทํำดีไอ้ตุ๊กแกลงปูรีเนี่ยโอ้เก่งมากได้จับตุ๊กแกมับทันทีเลยจับตุ๊กแกเอาไปปล่อยที่อื่นนะเพราะพอไว้ที่นั่นมันมั น, มนขี้ใส่สาลามันเหม็นไนงะ จะไปปล่อยที่อื่นไปปล่อยทางหลังวัดไปปล่อยที่มันอยู่มันอยู่ไกลคนนี่แหละอันนี้แหะคือชีวิตของวั ด, ว ด, วดป่าบ้านตาจากนั้นก็เนี่ยท่านปัญญาวุฒโธเนี่ยท่านชันท่านจังันจังหานท่านนั่งพับเพียบนะเพราะท่านเนมีโรควันนรกในในฝ่าเท้าของท่านสมไมเป็นหนุ่มไม่หายนะวันนรกตัวนี้ก็แปลก กินยาท่านก็กินยาเป็นระยะระยะแต่ก็ไม่หายแต่ก็เป็นที่หลังเท้าของท่านเวลานั่งฉันจังหารท่านจะนั่งพับเพียบที่ศาลาท่านจะไม่นั่งขัดสมาธิเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายท่านก็ฉันจังหารท่านท่านพิธีพิธานะอาหารของท่านท่านฉันเผ็ดไม่ได้เป็นพระฝรั่งเนี่ยเราก็ต้องดูบางทีหลงตาได้อาหาร เป็นของแปลกๆเป็นของฝรั่งนะหลวลงตาจะเอาไปไปใส่บาต ท, ท่านเฉลีท่านปัญญาไ ป, ไปใส่บาต ท, ท่านปัญญาไปอ่าเราก็ต้องไปใส่บาทให้ท่านปัญญานี่แหละอันนี้ก็คือสมัยอยู่ด้วยกันอยู่แบบพี่พี่น้องๆ้องด้วยความอบอุ่นเพราะว่ามีพระไม่มากสิ1ห้าสิหองเองนะหลวงตาก็ไม่รับพระมากพระสมัยนั่นก็ใครๆก็ได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงตาแล้วก็ ขยานไปทุกแห่งหนกลัวหลวงตานี่ดุมากดุแบบไม่ไว้หน้าไว้ตาใครเลย <ๆ S 1> เผลอๆไล่นี้ อ, อกจากวัดได้ไง่ายๆเฮ้ยใครๆก็ไม่กล้าเสี่ยงนะไม่รู้จะเผลอยังไงอพอเผลอขึ้นมาเมื่อไหรกับเมื่อ น, นั้นแหละรู้เลยเ <c oughs> พราะฉะนั้นใครก็กลัวไ ม, ไม่กล้าเข้าไปนะผู้ที่เข้าไปในะยุคสมัยนั้นไปว่าอืมไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นหลวงพ่อ จึงบอกว่าสมัยเมื่อหลวงตา ย, ยังหนุ่มการแนะนำสั่งสอนของหลวงตาเนี่ยเข้มงวดกวดขันมากดุดาว่ากาวเนโเอไม่ใช่ธรรมดาแต่พอมาอายุทันมากแล้วนะพออายุทันมากพอดโค้งสุดท้ายเนะี่ยต้องก็ปล่อยวางแทนอเป็นยังไงก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานาทำยังไงก็ยืดหยุ่นมีแต่โห้สมัยก่อน มันไม่เป็นอย่างงี้ว่าหลวงตามีแต่พูดอย่างนั้นเท่านั้นเองเอพอหนั้นพวกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหลวงพ่อเลยพูดเลยบอกว่าข้าหากว่าลูกศิษย์รุ่นเก่ารุ่นไทยท่านยังน้อยหนุ่มต้องยึดปฏิปทาอีกอย่างหนึง่ง เ, เมื่อหลุงตาอายุมากแล้วไทยเรามายึดปฏิปทาของของค์หลวงตาเมื่ออายุแก่แล้วเนี่ยก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะ เ, เว้นเสียแต่ผู้มีปัญญา ผู้มีปัญญาอ่านปฏิปทาของท่านท่านพาดําเนินยังไงอันนั้นแหะจะได้เป็นปฏิปทาที่เสมอต้นเสมอปลายแต่ท่านเราไปยึดแนวปฏิปทาปลายแถวของท่านรู้สึกว่าเป็นปฏิปทาที่ผู้ผู้เท่าผู้สูงอายุท่านปล่อยวางแล้วนะแต่จะให้เหมือนสมัยน้อยหนุ่มตะก่อนเข้มงวดกวดขันเหมือนแต่สมัยท่านเป็นน้อยเป็นหนุ่มไม่ได้นี่แหละ อันนี้มาพูดถึงท่านปัญญานะีชีวิตของพระฝรังสมัยนั้น เ, เมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านก็กลับกุฏินะแต่ท่านตะภายบาดเองนะล้างบาดโดยมากก็มีคนล้างบาดให้พระฝรังล้างบาดให้ท่านเพราะท่านขาไม่ดีท่านไปนล้างบาด ท, ท่านก็มาพอมาแล้วท่านเช็ดเองพอมาถึงท่านก็เช็ดเช็ดบาดแล้วก็ใสถลกเองหลังจากนั้นก็ตะภายบาด กุติมีการน้ําอแต่พอไปถึงกุติแล้วนะอขึ้นไปกุติแล้วกัท่านต้มน้ําชาเป็นประชัมจำนะท่านบัญชานี่ขาดไม่ได้น้ําชาเหมือนกันใครจะมีเรื่องอะไรก็ตามอแต่เรื่องน้ําชาเนี่ยท่านปรยาเนี่ยพอไปถึงกุติแล้วเน่ยท่านก็หักกิ่งไม้นะแต่ตามไม่จริงท่านใช้ไฟฟงไฟฟ้าพระฝรังใช่ไหมอันนี้ไม่ ไฟฟ้าบรรตาดไม่มีท่านจะหักกิ่งไม้ขนาดเท่านิ้วมือเท่านิ้วก้อยเนี่ยตัดประมาณจะเคืบหนึ่งเนี่ยท่านจะตัดของวันไว้แหละลิร้ อ, อ, อนของวันเก็บเก็บไว้จากนั้นก็ใส่เตาอังโลกนะ เ, เตาเนี่ยเตาอังโลกที่จุดพันจากนั้นก็ใช้น้ำมันหยดนิดหน่อยเทียนหยดนิดหน่อยกับก็จุดพอจุดคนะือมาเลยเอากาน้ากาน้ำเนี่ย กาโลปิเนียมเนี่ยดำๆนะไอ้ต้มน้ําทุกวันเนี่ยมันควันไฟใช่ไหมล่ะเอ่ออากนั้นท่านก็นมาต้มน้ําเอพอต้มน้ําเดือดแล้วก็ เ, เทใส่กาพิธีพิถันนะให้ทันปัญญาดื่มน้ําชาเนี่ยนะเส่ใส่ปั้นชาแล้วก็เทเอให้มันร้อ น, นลวกให้มันร้อนซะก่อนแล้วก็เทออกเ ท, ออ ก, เทออกก็เด่นเอาชาเนะย ชาซีรอนเนี่ยท่านจะชอบชอบชาซีลอนนะชาซีรอนชาอังกฤษชาสีลังกาเน่ยท่านท่านจะไม่ชอบพวกชาจีนนะเน่ยท่านจะฉันพวกชาเนี่ยชาอังกฤษชาซีลอนแล้วก็เทลงไปแล้วก็เทน้ําร้อนลงไปอีกแล้วก็เทน้ําร้อนออกมาน้ำหนึ่งจากนั้นก็เทลงไปเทน้ําเสร็จหรือมาแล้วก็หิ้วเขินกุฏิอะไวนีดับไฟ ขึ้นไปก็ น, นั่งเก้าอี้ของท่านเก้าอี้ของท่านก็เป็นเก้าอี้ไม้นะท่านทําเองเนะ่ยเก้าอี้ของท่านเก้าอี้ไม้ไผ่ไม่มีแล้วเก้าอี้นุงเก้าอี้นวมเนะลยหลงตาไม่ให้ใช้ลนะเก้าอี้ไม้ไผ่ทําเป็นไม้คือมากระทำตีเป็นชี้ๆแล้วกัท่านคือเป็นนั่งอะไรก็มีโต๊ะเล็กๆอยู่ต่อหน้าของท่านตั้งน้ําชาก็ดื่มน้ําชานี่แหละชีวิตของพระฝรั่ง จากนั้นท่านก่อนพอเสร็จแล้วก็นั่งภาวน า, นวนาแต่ท่านจะเดินจงกรมกลางคืนนะนั่งภาวนาเสร็จแล้วท่านก็พักผ่อนน้อยนึงตื่นมาท่านก็นั่งขึ้นมานั่งภาวนาอีกแต่ก็ทำงานจากนั้นก็ตอนบ่ายนาก็ลงไปฉันน้ากับหมู่พอฉันน้าเสร็จขึ้นมามาดูมาดูเทพปัมาดูอะไรปังกิจกรรมของท่านทำของท่านธรรม เป็นช่างทั้งหมดเนี่ยขนาดทาค้อนตีตะปูแต่ยังเขียนแบบนะยลงตาอย่างกล้อนโอ้โหขนาดทําด้ามมีดยังมีแบบเะยลงตามหาบัวว่านะท่านหัวเราะท่านปัญญาโอ้ถ้าทำมีถ้ามีแบบก่อนแล้วมันจะไม่ผิดพลาดเหมือนกันอทําใหญ่ขนาดนี้ทําเป็นอย่างนี้เขียนแบบไว้หมดก่อนที่จะทําอะไรนะนี่แหละพอตกตอนเย็นมาแล้วอะมันข้ามมก็จุดเทียนเลยจ้ จุดเทียนเดินยังกลมทั้งที่ขาท่านเปนะเดินจกลกจกลกขาเปใช่ไหมแต่ท่านก็เดินนะเดินยังกลมโห้เดินนานนะบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมกันนะแต่ท่านแต่หลวงพ่อนึกขำอีกอย่างหนึ่งเพราะท่านประเทศอังกฤษน่ยท่านไม่เคยชินกับจิ้งหรีดใช่ไหมจิ้งหรีดมันร้องมันร้องเสียงกลางคืนมันเสียงดังมันแสบแก้วหูใช่ไหมเวลาท่านเดินยังกลมเลย ไ อ, อ้จิ้งดีมันร้องอยู่ข้างข้างทางเดินจงกรมของท่านบางทีห้าตัวสิบตัวมันรนะ้องเออท่านก็ลาคานมันท่านก็เอาน้นะําเ่ะไปหยอดรูมันไว้เอ้ยมึงอย่าพึ่งร้องเลยให้กูเดินจงกรมซะก่อน <c oughs> ล, งลงพ่ออย่างนีข้ขำมากนลนะเอรพอเอาท่านพระยาทำอะไรผมเอาน้ําไปเทใส่รูมันไว้ก่อนเลยอย่าพึ่งให้มันร้องเลยแต่ให้ผมขึ้นมาซะก่อนหยุดทางทหยุดจงเดินจงกรมซะก่อน จึงให้มันร้องต่ อ, อเองเออนี่แหละให้ท่านปัญญากสอนมันสอนจริงเด็ดสอนกระทั่งจริงเด็ดเบิ้งให้รู้จักจังหวะของมือเบิ้งให้หยุดซะก่อนในค่าเดินอย่าง ก, กลมฮะอ่า่าหยุดเดินอย่าง ก, กลมซะก่อนเ อ, อพวกเธอยังร้องร้องต่อไปฮะนี่พอน้ําเขารูมันจะไปร้องได้ยังไงใช่ไหมล่ะ อ, อ่มันก็เงียบมแต่มันก็มีแต่โผล่หัวขึ้นมาก่อนที่มันจะตั้งท่าตั้งทางได้ท่านปัญญาจะขึ้นไปพักแล้วท่านนี่ มันก็ร้องต่อไปไนะนี่แหละพระฝรัง่ง อ, อ, อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดอยู่ด้วยความอบอุ่นสมัยนะั้นอยู่ด้วยกันแต่ท่านเชอรี่ก็เคยมาอยู่ที่นี่นะ เ, เคยมาอยู่ที่วัดของวัดปา่านาคำน้อยหลายครั้งเหมือนกัน อ, อ, อย่างเดียวนี่นก็ยังคิดถึงท่านอยู่อายุของท่านก็จะเข้าแปดสิบเหมือนกันนะพอหลวงพ่อก็เจ็ดสิบกว่าท่านก็แก่กว่าหลวงพ่อนะถือว่าเป็นเสมือน เ, ออเป็นพี่น้อง อยู่ด้วยกันมาถึงนึ ก, น, ก, น, กนึกย้อนหลังดูแล้วก็นี่แหละการอยู่ด้วยกันพี่น้องหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมเีเป็นพี่ชายใหญ่อ ย, อยู่ด้วยกันเข้าๆออกๆหลวงปู่ลีแต่หลวงปู่บุญมีอยู่ประจำแต่เวลาทำการทำงานสมัยนะั้นหลวงตามหาบัวท่านบอกเออเอาพร ะ, พระไม่ต้องเอาญาติโ ย, ยโมมายุ่งนะเอาพระนี่แหละทำ แต่พวกเราก็ทำนะสร้างกุฏิไม่โลกกี่หลังตกกี่หลังฝีมือพระเกือบทั้งนั้นแหละหลวงพ่อไปเดี๋ยวนี้ยังเดินเดินไปดูเห็นกุฏิพระเรายังระลึกระลึกย้อนหลังเออในกุฏิที่เราทำนะํำสมัยเมื่อเราอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดหลายหลังทีเดียวนะแต่อีกตัวอยากหนึ่งหลวงตา ก, ก็ไม่ได้นเน้นหนะักเรื่องกุฏินะ่ะยังไงพระอยู่ยังไงก็อยู่ได้อยู่แบบสมสถะอยู่แบบสันโดษ ไม่ใช่ทำให้หรูหราโออาไม่ออก <c oughs> ท่านสร้างเข้าไปือเข้าไปดูข้างในนะลูกหลานวัดป่าบ้านตาดไม่มีดอกกุฏิหลังไหนที่ใหญ่โตสวยงามหายากโดยมากแต่พออยู่พอเป็นพอไปอย่าง <c oughs> พระป่าพระโระงแต่จตุปัจจัยที่ได้มานะันช่วยเหลือโรงเรียนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ ม า, มากมายมหาศาลเลยช่วยสงเคราะห์โลกนะแต่พระเนี่ยท่านว่าเอาขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วดอกมีอยู่มีฉัน เ, เราก็ไม่ได้มาเพื่อหาความสุขบำลุงบำเลอทางกายอะไรมีจะให้ศึกษาทางด้านจิตใจจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานโดยเร็วเนี่ยเท่านั้นล่ะเราจะมาหาความสุขอะไรกับเรื่องภายนอกอย่างนี้ โดยมากหลวงตาท่านจะไม่ให้เน้นเรื่องภายนอกมิแต่ให้ภาวนาพระนะแต่วัตถุภายนอกพอเป็นพอไปพออยู่ได้รับเพียงพอนะเห็นไหมพวกเราได้สังเกตไหมได้ฟังไหมพินัยกรรมของหลวงตานะหลวงตาบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วนะเงินที่มาบริจาคในงานศพของเรานะจะมากน้อยอยังไงให้ นำเงินเหล่านั้นไปซื้อทองคาแล้วก็ให้มอบทองคาเข้าเป็นเข้าคลังเข้าคลังหลวงเพื่อให้เป็นประกันเวลาเป็นประกันเมื่อพิมพ์ธนบัตรออกมาเนี่ยจะได้มีขุนค่าเพราะมีเงินมีทองคาอยู่ในทองคาอยู่ในคลังหลวงเป็นประกันเป็นประกันธนบัตรอ่รลงตาคิดถึงขนาดนั้นละ่ะ แต่จากนั้นก่อนเนี่ยวันที่หลวงตามรณะภาพเนี่ยได้ปั จ, ปจจุประจุปัจจัยตั้ง7800แตั้งเจ็ดตั้งเจ็ดรล้านคนนั้นลูกหลานนะแล้วก็ทองคําอีกต่างหากรวมแล้วก็ได้ทองคําเข้าคังหลวงรวมได้1ิบสตันกว่านี่ยไม่ใช่น้อยแตตันกับว่าตันไม่ใช่หมื่นนะไม่ใช่กิโลนะสิบสากิโลไม่ใช่นะสิตัน ตันหนึ่งเท่าไรพันกิโลนะเนี่ยพันกิโลได้สิบสามตันแล้วทีนี้กิโลหนึ่งเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันล้านกว่านะลูกหลานนะกิจตันกิโลหนึ่งล้านกว่าแล้วพันเป็นเท่าไหร่นี่แหละหลวงตาท่านมองเพื่อประเทศชาติม อ, ม, อมองลูกมองหลานจริงๆหลวงพ่อว่านะเนี่ยเป็นพระมหาเทระที่หน้า เขารบบูชาเชิดชูในองค์หลวงตาเพวันนั้นเดี๋ยวนี้ก็กําลังพูดกันอยู่เรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาวัาะนั้นให้ลูกหลานฟังฟนะังหน้าที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยในเมื่อประกาศเมื่อไหร่ได้ลงมืออีกเมื่อไหร่แต่วางศิลาฤกษ์เมื่อไหร่ก็ช่วยๆกันเพราะหลวงตาเป็นผู้มีพระ ค, คุณผู้มีอุปกระคุณเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรณ์ เห็นไหมท่านเอาทองคำเข้าไปค้ำไว้ในคลังหลวงนะพิมพ์ธนบัตรออกมาก็มีคุณค่าถ้าว่าไม่มีเงินไม่มีทองคำอยู่ในท้องระคขังเลยพิมพ์ออกมากัน เ, นเป็นเงินกองเต็กไปแหละเป็นเงินประเทศลาวนะราคาไม่มีคุณค่าต่างประเทศถ้าประเทศใดมีทองคำอยู่ในคลังหลวงมากๆพิมพ์ธนบัตรออกมาประเทศนั้นก็ มีธนบัตรกระดาษแผนนะั้นมีคุณค่าเพราะว่ามีมีตัวประกันอยู่นี่แหละหลวงตาคิดมากถึงขนาดนั้นนะลูกหลานน ะ, ะทั้งที่ท่านอยู่ป่าโรงผงไผ่ท่านคิดถึงบ้านถึงเมืองถึงประเทศชาติเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนนะ่ะมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้มีบุญ น, น ะ, ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรรมวงศานุวงศ์เป็น เป็นพุทธมามะกะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระเป็นที่พึ่งจากนั้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มันหลวงปู่หลวงตาท่านก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยท่านก็ยังมองเห็นพวกเราช่วยเหลือประเทศชาติมไม่ไม่มีอะไรต่อไม่อะไรให้กับพวกเราเพราะนั้นพวกเรานับว่าเป็นผู้โชคดีเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนะคิดพูดทำแต่สิ่งที่เป็นสร้างสรร์แต่ไงจะมีความพร้อมเพียงสมัคคีในในประเทศชาติบ้านเมืองอคิดที่มันที่มันไม่ดีเอาลัดเอาเปรียบแก่งแย่งกันเรื่องราบเรื่องยศมันไม่ดีหรอก เ, อเสียหายาแต่มันก็อดไม่ได้นะ หลวงพ่อดูนะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธ ศ, ศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านบอกว่าการแย่งยาการแย่งลาบแย่งยศกันเหมือนกับไสเดือนแย่งเหมือนไก่แย่งไสเดือนกันท่านท่านบอกอย่างนั้นนะท่านไม่ได้บอกว่าของดิบดีนะการแย่งการแย่งลาบแย่งยศกันนะ เ ห, เ, เหมือนกับไสเดือนแย่งเหมือนกับไก่แย่งไสเดือนกัน BERG อพอตัวหนึ่งไปได้ไสเดือนใช่ไหมพอข้ามไรไสเดือนตัวที่2ก็เห็นพอเห็นตัวนั้นข้ามไ่เดือนตัวนี้ก็ไล่แต่ไล่จิกไล่แย่งกันไอ้ตัวที่ได้ไสเดือนก็เห็นหมูไล่ก็วิ่งหนีใช่ไหม frankly, พเพื่อจะไปกินคนเดียวใช่ไหมตัวนี้ก็ไล่ไปตัวที่2พอตัวนั้นหลุดปาก ตัวที่สองก็คาบใชเดือนอีกวิ่งอีกตัวที่สีก็ไล่ตั้ตัวนั้นอีกเอพนที่สุดฮตัวนี้ก็กลัวหมูไล่พอที่สุดใชเดือนไม่รู้หลุดหายไปไหนต่างตัวต่างไม่ได้กินทลยเพราะต่างตัวกัต่างไล่กันนี่แหละอันนี้แหละการแย่งราบแย่งยศลดยศกันนะ่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละในเมืองไทยของเรานี่จะลักษณะอย่างนั้นแหละพี่น้องลูกหลานพอนที่สุดทําให้ประเทศชาติาปันป่วนประเทศชาติ เสียหายจําแย่ก็เพราะพี่น้องประชาชนคนในชาติของเราไม่พร้อมเพียงสามัคคีกันทั้งที่จะเข้าไปชาคมอาเซียนอยู่แล้วนะนั่งทั้งที่จะหันหน้าเขาหากันเป็นยังไงพี่น้องของเราก็มีอยู่มีกินอยู่แล้วไม่อดไม่อยากอยู่แล้วเรื่องออทางด้านวัตถุทางข้าวน้ําโภชนาะอาหารอะไรอุดมสมบูรณ์ในพื้นแผ่นดินไทยแต่หันหน้าเขาหาหากันปรับปรุงจะทํำยังไงให้มันดี จะทํำยังไงเราจะจะได้ขายของออกต่างประเทศเอมันน่าจะหันหน้าเข้าหากันอย่างนั้นประเทศชาติมันจึงจ ะ, จะเจริญรุ่งเรือ ง, อ, งอันนี้มันเหมือนกับไช่เดือนเหมือนไก่แย่งไช่เดือนกันนะทุกวันเลยนะอมันไล่เตะตีกันผลที่สุด ก, ก็แหลกเหลวก่อนไปไม่รู้ผลที่สุดไม่มีไม่มีใครได้สักคนเสียหายกันทั้งหมดเพราะอะไรเพราะไก่โง่นะหลวงพ่อว่าแต่หลวงพ่อไม่ได้ด่าคนนะหลวงพ่อด่าไก่นะ อารับผในสถนีนคณะสัทธทาญาิโฉมลูกหลาน